เราลงสนามฝึกภาคปฏิบัติไปใชภาคเดียนลูกหรือเข้าเข้มฝึกหัดที่ว่าปฏิบัติทำทำคนเดียวผิดคนเดียวถูกคนเดียว ตัวใครตัวมันฝึกเอาเองทต่ไม่เหมือนเป็นมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำให้มีสติไปในกายนั่นคือฝึกหัดสติมันไม่มีไปในกายไม่มีใช่ อะเลยไม่ได้ใช่สติบางทีใช่ขมหลงขมสุขวมทุกข์มเลิวขมชังขมพอใจไม่พอใจนั่นมันผิดมีสติไปในกายถ้ามีสติไปในกายอะไรที่มันเกิดขึ้นมีสติเข้าไปรู้เหมือนกับเม อาวุธในมือเมล่าเกิดอะไรขึ้นมาป้องกันได้แก้ไขได้มีทางชนะได้หลงมีสติใอ้วมหลงเป็นขมลู่ไปถ้าไม่มีสติขมหลงจะเป็นหลงเคยผิดไป หลงขนตจ๋ยวจะมันหลงอย่าให้หลงเป็นหลงว่าหลงเป็นหลงผิดผิดที่ผิดทางใช่ผิดแล้วเพราะไม่มีอยู่แต่ใช่ไม่ถูกเวลาไม่เฉ ด, ดีไปในกายเวลามันหลงหลงไปเลย เหมือนกับเราไม่รู้ไม่ขี้ไม่ได้เหมือนเรามีโทรศัพท์มือถือกดผิดแั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ใช่ไม่ได้ไม่ก็อาจจะทำไม่เป็นมีแต่ทำไม่เป็นใช่ไม่เป็น มีสติเจไปใช่อันอื่นมันก็มีเหมือนกันใช้ผิดไม่สำเร็จประโยชน์เป็นทุกข์เป็ น, ปนโทษได้ให้มันํำนี้จำนานเน่นยอมชัดเจนกายก็มีอยู่มิสติไปในกาย<ะ>เวลามันคิดก็ ความคิดก็ไม่อยู่มีสติไปทันความคิดอย่าให้คิดปลาให้เกิดปัญหาเกิดภาระต่างๆจนลืมสติมันก็สติไม่งอกไม่งามถูกความคิดถูกความหลงข้องงอมอยู่เรื่อย เราไม่รู้จักใช้เวลาจะใช่กับใช้ไม่เป็นเลยไม่สำเร็จประโยชน์อัดช้าให้แม่นยามชัดเจนดูหนึ่งข้างสองข้างเราดูก่อนอย่าเพิ่ง ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นหลงเป็นหลงแล้วป็กโกรธเป็นโกรธไปอย่าเพิ่งตามมันไปให้ให้ใหทุบทวนอีกสักหน่อยถ้าไม่ชำนาญนนะกลับมาลู้ใหม่อีกบางทีมันรอบสองอาจจะ ด, ดีมันเป็นครู ผิดเป็นครูชั่วดีเป็นตาจะได้บทเรียนที่เหมือนผิดที่เมัอนมทุกข์ม่โทษดอนสัมผัสดูแล้วไม่ดีเลยผมหลงไม่ดีเล ย, เลยผมไม่หลงดีกว่าถูกต้องผมถูกกวมทุกข์ไม่ดีเลย สัมผัส ด, ดูแล้วได้บทเรียนมาแล้วก็รลู้สึกตัวแล้วมันดีนี่ก็เป็นบทเรียนที่มีค่านายว่ามันหลงเป็นผู้หลงไม่มีค่าอะไรผิดเป็นผิดถูกเป็น สุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่มีค่าตรงนั้นถ้าผู้ฝึกหัดตนจะได้ค่าจะได้ประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์ได้งนั้นไปไม่รอดดกมันไม่งอกไม่งามมันชื่อว่าอาธรรมทั้งหลายนั่น มันไม่ถูกต้องยืนหยัดอยู่เสมอไปถ้าเราได้มีสิ่งเปรียบเทียบเข้าไปสัมผัสเข้าไปเรามันมีไม่ได้ในที่สุดก็ จ, จะหมดจบลงได้นั้นเฉดมันเฉดไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเออหลง ลูเนี่ยเป็นเป็นการบุกเบิกเสวกโอนไม่ได้ทิศได้ทางเปลี่ยนหลงเป็นลูกได้เป็ น, ปนอันดับต้นๆแล้วก็มีถ้ำกลางหรือที่สุดไปได้ไม่ใช่ไปหาคคำตอบจากความชิ ด, ดเอาเหตุเอาผล เหตุผลมันใช่ไม่ได้บางทีเอาเหตุผลมาจากข้างโลกวัตถุชิงของผู้คนการเวลามันไม่มันไม่ถูกต้องเหตุมันเกิดอยู่ที่เราเนี่ยเราทำไมหลงเราไม่หลงเนี่ยเราทำไมทุกข์เราไม่ทุกข์เนี่ยจริงจริงจริงจะเป็น การกระทำจริงจังเราจึงทำได้จริงจริงทำได้กับมือเราจริงจริงทำด้วยมือเราจริงๆริเราความผิดมาเป็นความไม่ผิดมาเป็นความรู้ใครๆก็ทำได้เด็กๆก็ทำได้ ยิ่งพกเราเป็นมามีอาชีพโดยตรงน่าจะเจริญงอกงามได้ไวๆนี่หมืนโยมมื่วันบอกหลวงตาว่าให้หลวงตาสอนให้หนู้วันให้ได้พระสรบวันในชาตินี้ ไม่ใช่ชาตินี่หรอกโอวันนี้เลยเลยอย่าทีนี้วินาทีนี้เลยท่านมันง่ายมีสติมันหลงยิงให้แม่นเลยมันหลงรู้พระโสดรบันเขาทำอย่างนี้นี่ว่ายิงแม่นมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ลอยที่ใจถ้าไม่ใช่ความรู้สึกตัวหน่ยเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมด มันหลงวินาทีนี้ก็รู้วินาทีนี้พระโสดาบันตั้งต้นไปจากตรงนี้เห็นเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นเจากความหลงทำได้จริงๆแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันนี่หลักเดียวกันนี่เจนเดียวกันนี่มันนีมาได้หรือพระโสดาบันเวลานีไม่ได้หรือ มันต้องทำได้มันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราเนี่ยไม่มีการไม่มีเวลาทำได้ทันทีคุณธรรมไม่ใช่รูปลักษณะเป็นคุณธรรมเกิดจาบการปฏิบัติเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็ น, เปนไม่ทุกข์ อะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วมนันถูกต้องมีอวิชชาไม่ถูกต้องต้องมีวิชาเป็นสินที่ถูกต้องสังขารไม่ถูกต้องวิสังขารถูกต้องมันมีเท่านี้สังขารคือปรุงวิสังขารคือหยุดปรุง แล้วก็มีเท่านี้มันมาด้วยกันมาให้เราทำสองลักษณะเหมือนการบ้านให้เราตอบการบ้านเป็นปัญหาแล้วก็มี ป, ปัญญาอยู่ที่ปัญหานั้นตอบให้เป็นตอบให้ถูก เรียกว่านาด้วยกันอะไรก็เหม็อนอย่างนี้ใช่อะไรก็ใช่แบบนี้ใช่ผิดไม่สำเร็จประโยชน์ใช่ถูกก็สำเร็จประโยชน์ได้ชีวิตเราีนีน่อัศจรรย์ไม่ ไม่เหมือนสิ่งอื่นชีวิตของคนเราเนี่ยมีกายมีใจมีรูปมีนามมันบอกตั้งแต่ทีแรกนี่คือกายนี่คือรูปนี่คือใจนี่คือนามเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะบอกไปมันจะสอนเรารูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงรูปมันก็ไม่เที่ยง นามก็ไม่เที่ยงมันบอกรูปนี้เรเป็นทุกข์นามนี่ก็เป็นทุกข์มันบอกรูปนี่เขไม่ใช่ตัวตนนามนี่เขไม่ใช่ตัวตนมันแสดงออกตามเหตุตามปจาัจจัยไม่มีใครที่เป็นใหญ่มันได้รูปนามนี่แต่เราจะใช้มันให้สําเร็จประโยชน์ ไม่แช่เราจะให้มันเที่ยงจะให้มันไม่ทุกข์มันเป็นไปไม่ได้โสที่ไม่เที่ยงใช่เหมือนเที่ยงเป็นไปไม่ได้รูปธรรมนามธรรมเนี่ยเมื่อมันแสดงทั้งวัวไม่เที่ยงแล้วก็รูแจ้งดูแจ้งรูจริง เวลามัาแสดงออก <c oughs> แทนที่จะหลงในความไปเชี่ยงเป็นสุข <c oughs> เป็นทุกข์มันก็ไม่มีรูปแล้วมันบอกรูปมันทําดีนามมันทําดีรูปมันทําไม่ดีนามมันทําไม่ดี <c oughs> เกิดอยู่ที่ส <c oughs> องลักษณะนี่เพราะเราไม่สติไม่แต่รูปเห็นไปแต่ฉันไปเรื่อยๆนะ เมื่อแต่ได้หลักดีเนาะว่าแจ่ได้หลักดีๆมันแตกฉานได้ใช่ได้แต่พึตะพือไปสติเนี่ยเป็นมหาสติเมื่อมันเป็นมหาสติเป็นปัญญาเป็นวิปัชนายานอย่างลูกความความเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักตนะ เราได้รู้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นทุกข์เรารู้แล้วเราละได้แล้วเราพ้นจากทุกข์แล้วนี่ความเป็นจริงเหตุได้เกิดทุกข์เราละได้แล้วทำได้แล้วพ้นไม่มีเหตุให้เกิดเป็นทุกข์อีกแล้วเบืงรู้ตามความเป็นจริง ไม่มีใครมาสอนเราเราเห็นเองรู้เองไม่เคยรู้มาก่อนปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้วิชาเกิดขึ้นตรงนี้ญานเกิดขึ้นตรงนี้รวมรู้แจ้งเกิดขึ้นตรงนี้นิพพานเกิดที่นี่รวมหลงไม่หลงอีกต่อไปไมีทั้งปัญญาไม่ทั้งฌานไม่ทั้ง วิชามีทั้งนิพพานดับไปแล้วไม่มีอีกแล้วหรือไม่มีเชื่ออีกแล้วแต่ก่อนหลวงก็ไม่เชื่อทุกก็ไม่เชื่อโกดโกูบทุกอะไรต่างๆไม่เชื่อมีรสชาติความหลุดพ้นทําให้แจ้งแล้วแกง้งจริงๆไม่สงสยัยไม่ความ ลู่ความหลงไม่สงสัยเลยหนที่ใดนะ่ะไม่มีค่านี่จะลู่นี่แหละนี่เราว่าจักขงอุทาปติยะนังอุทาปติปัญญาอุทาปฏิวิชชาอุทาปฏิอาโลโคอุทาปฏินิพานอุทาปติมันเกิดขึ้นนี่ทำไมจะไม่เกิด มันทำด้วยมือสัมผัสได้ริงที่มันแล้วมันก็บอกว่าแล้วเหมือนเราทำงานส่วนไหนที่มันแล้วไปรูปคามันทาไมแล้วกว็แล้วไปส่วนใดที่ไม่แล้วมันก็บอกเราให้เราได้ทำต่อไปทำลงไปเมื่อเมื่อมันแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นใช่ได้ การงานที่ทำได้แล้วเท่าที่มันหงสุกนงสุกก็ใช่ได้แล้วไม่ต้องไปทำอีกสิ่งที่มันแล้วในกายในใจนี้มันบางอย่างทำได้แล้วบางอย่างต้องบันเทาวางอย่างต้องกาหนดรูดเฉยเฉยไม่ไป สุกไปทุกเพราะมันหายใจเข้าหายใจออกแบบไปเป็นทุกข์ความร้อนความหนาวไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะเรารู้แล้วอันทุกข์ที่มันเกิดโขกจริงของไม่จริงคือทุกข์อริสัตยสีนั่นคือเมื่อทําได้แล้วอันอื่นก็เหงาหงอยไปเลย เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เท่าเราทำให้เราได้ใช้ทำให้เราได้บอกคนเป็ น, ปนสิ่งที่ต้องบงบอกให้คนมาลูกเหมือนคนเดินทางผิดตรงนั่นว่าจะถูกตรงนั่นหลงตรงนั่นจะไม่หลงตรงนั่นไม่ทุกข์ทั้งหลายเลยเกิดการสั่งกัน สั่งสอนการแสดงอยู่ตลอดเวลาหลังจากพระโตองได้ตัจะลูเป็นพระทธเจ้าแล้วต้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าจโย่มีสามไม่ทำลาบทำกวงทำกุศลให้ถึงพ้อมทำจิตให้ขาวโลกไม่ทำบาปจะทำอย่างไรทำกุศลทำแบบไหน กิจบวบริสทธิ์ทาอย่างไรแล้วก็มีกรรมฐานเกิดขึ้นมาโ น, น่โคนม้ยโน่นเลือนว่างมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำาฉันเสร็จแล้วอ้มบาดถึงกติวางบาดลงตั้งาจให้ตรงราลงสติให้มั่นมีสติไปในกายนั่นเลยภาคภาคปฏิบัติ สอนกันอยู่จึงมีการสั่งมีการสอนทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังแสดงไม่ได้บางอย่างต้องอาศัยคำพูดแล้วก็เรียนรู้จากการในชีวิตของเรานี่ไอหลงก็เหมือนกันหมด มันในความหลงกือความรู้ก็เหมือนกันหมดนี่คือวิชากรรมาฐานวิชาอันเดียวกันไม่เอารูปร่างลักษณะเพศวัยลัทธินิกายมาอ้างการเวลามาอ้างร้อนหนาวมาอ้างในความหลงนี่มันไม่มีเวลาให้ให้เราได้ไปดักคอยมัน เหมือนกับยามเฝ้าเจหน้าที่ดักจับผู้ร้ายตรวจตำ ร, รวจทางหลวงมันเป็นอันหนึ่งนีอาการิกธรรมคือไม่มีการไม่มีเวลานี่สติ มาบ่นหลงก็ไม่บอกแต่ถ้ามีสติก็ใช้ได้แต่ไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้เพียงไม่ควรจะประมาทการไม่ทําบาปทำปวงคือมีสตินี่แหละมีสติก็ไม่ได้คิดชั่วไม่ได้พูดชั่วไม่ไทาชั่วแล้วพอนพูดก่อนทําก็รู้สึกระลึกได้อยู่ การทำกุศลด้ถึงพร้อมมีสติก็รับความชั่วแล้วตามความดีแล้วมีสติกิจมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งมันก็บริสุทธิ์แล้วแม้แต่คิดมันก็อายมันจะไปปรุงไปทึงไหนมันไม่มีแล้วจึงสมบูรณ์แบบในภาคปฏิบัติใน เครื่องมือม่สติไปในการสมบูรณ์แบบทุกคนก็มีกาไมีสติไปในการอยู่เป็นประจำใครใครก็ทำได้เนะดูแล้วก็ได้สนุกดี ในความหลงจะได้รับความสะดวกให้เกิดความไม่หลงในปัญหาจะทำให้เกิดความสะดวกในปัญญาอาศัยจริงเหล่านี้จริงๆอะ่ะมันมีมีอย่างนี้เหมือนมื ด, มดครับสียบางในที่มื ด, ม ด, มด มันก็มีแสงสว่างได้อุปกรณที่ทำให้เกิดแสงสว่างก็มีชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องมีอันอื่นภายนอกอยู่ในชีวิตโทเราทั้งหมด เดืยนจบได้รูปก็มีจึงิที่ทำให้เป็นทุกข์ก็มีเหตุไี่เกิดทุกข์ก็มีความดับทุกข์ก็มีวิธีที่ทำให้เกิดความดับทุกข์มีทำดับได้แล้วก็ ม, มีไม่ต้องไปหาที่ไหนไม้แต่เราหัดใช้มีให้ใช่น่าจะสนุก เวลาเรามีสติเนี่ยในความทุกข์มันจะเป็นควาสนุกแบบหนึ่งตาจะหัวยิ้มยิ้มสักหน่อยนี่นี่ร้อยเศ้าหงอยความผิดหัวล้อความผิดความทุกข์หัวล้องวามทุกข์คนผู้มีสติ เป็นอย่างนั้นเหมือนมีซับภาษาอะไรทั้งหิวข้าวกลัวจะไม่หิวเคยนั่งรถไปกับหัวเหมี ค, มคู่หนึ่งเขาเปลูกก็ลูกน้อยลูกเขาบอกว่าลองขึ้นอยู่ขณะที่รถพิ่ึกไป้หิวข้าวหิวข้าวพอแม่ก็หัวเราะจนเตมันจะยากอะไรทั้งหิวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดยว วิ่งไปมองหาลานอาหารไปดีใจเวลาลูกบอกว่าหิวข้าวเงินก็ม่อยู่ในกระเป๋านี่อยากให้ลู ก, ก ไ, ได้กินจริงๆว้ยใดจะเหนืชักหน่อยมันจะยากอะไรหิวข้าวคนมีเงินถ้าคนไม่มีเงินก็อาจจะลำบากอาจจะเป็นเปรตตอนหิวข้าว คนส่วนโลกเขาก็ได้กินเอาความแม่ก็มีความสุขมันสําเร็จประโยชน์น้ามีสติเหมือนมีทรัพย์เวลามันทุกมันจะไปกลัวอะไรพวกในทุกข์มีสติมีอยู่เวลามันโกรธจะไปกลัวอะไรนี้จิเละตั้งหัวไปกลัวอะไรหัวเลาะมันได้เลย งั้นช่างที่หมามันเห่าไปกลัวอะไรหมาไม่ควรกลัวช่างไม่ควรกลัวหมาเฉยได้ไม่หวั่นไหวนะวนมันเป็นอย่างนี้นะธรรมะเห็นธาสรนเสริญสุขทุกขได้เสียเสื่อมอะไรต่างๆนั้นไม่หวั่นไหวแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่หวั่นไหว นี่อะไรนิดหน่อยก็พอจะทุกข์ความคิดเฉยๆ ก, ทก็ทุกข์ทุกข์ขมคิดมีมากคิดอย่างเดียวไปไกลเป็นเปรตเป็นสุรกายประสัโลกเดือดฉานได้เป็นพบเป็นภูมิไปมีสติใช้ความคิด ไม่ใช่ความคิดมันใช่เราเราไม่กายใช่กายเราไม่จิตใจใช่จิตใ จ, ใ จ, ตใจมีรูปใช่รูปมีนามใช่นามให้มันสำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างลายเป็นเช่นลายกับการมีชีวิตที่มีรูปมีนามนี้รูปมันใช่เรานามมาใช่เรา แต่ว่าเราใช่มันมันหิวเป็นผู้หิวมันทุกข์หนิลูกมันใช่ถ้ามันหิวเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวโอบคุณกลัวหิวหนิมีนี่เร า, าใช่ลูกแต่ไม่หิวไม่ดีแต่มันทุกข์อ๋ออ เก็บไข่ได้ป่วยก็เห็นวันม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บปวดเราจะเป็นใหญ่ขวากามเจ็บปวดความเจ็บเป็นนันหนึ่นงถ้าฝึกได้ดีๆแต่มันสำเร็จประโยชน์ที่สุดก็เหนือการนเกอแฉเจ็บตายได้จริงๆผู้รู้ท่้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมมันยิ่ง ยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่เริ่มโตนจากเห็นไม่เป็นมีแต่เห็นมีสติยิงแม่นยิงได้ไวเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงกำลังพลน้อยเอาชนะ ข้าศึกเด่นจำนวนมากหลงให้หลงเนี่ยไปไกลข้าศึกคือความหลงกำลงคนคือสติสติ น, น้อยๆแต่ทำรอยก็ข้าศึกได้จานวนมากแปรปรุงไม่ปรุงเนี่ยมันไปไกลยิยงไกลไปต่พุทธตะพืะ้นไประเบิด ไปจำนานไปเห็นไม่เป็นสน้ำลบอยู่ตัวนี้เห็นไม่เป็นอะไรมาเห็นไม่เป็นชนะร้อยทั้งร้อยอเห็นหมืนทุกเป็นผู้ทุกเนี่ยแพ้ทั้งร้อยทั้งร้อยอะไรมันอยู่ที่ไหนลราจริงเราเนี่ยมันอยู่ในกับชีวิตเรานี่ใช้ชีวิตอย่างไ ร, รพวกเราอ หนึ่งวันหนึ่งวิีเป็นอย่างไรถ้าไม่เตรียมพร้อมมันก็ก็พมอาดเผอได้พัดไปในความหลงในความจุขในความทุกข์ได้ถ้าหลงเป็นหลงก็มก็ไหลไปทางนั้นถ้าไม่เริ่มต้นที่นี่ มันก็จะหลงไปยังหลงเลยไปเราจึงต้องฝึกตนสอนตนขยันรู้ว่าความรู้นี้ก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทำไรก็ใส่ใจให้ความรู้เชื่อความระลึกได้ไม่หนักไม่หนาไปเป็นพรัดตอใค่ ใช้ชีวิตถูกต้องชัดเจนแม่นยำเฉพาะเรื่องเฉพาะเหลาไปจะใช่อะไรชอบไม่กวดใช่ไม่กวดจับช้อนจับถ้วยล่างถ้วยล่างชามทําอาหารปรุงอาหารเฉพาะเรื่องไปทําก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษจริงไหนเป็นโทษก็ไม่ทําไม่ดูจัดแม่นยําใกลเลยถูกที่ถูกทาง มาผิดก็เป็นถูกมาไล่เป็นดีในเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้ริงที่ไล่ามาถึงเราเนี่ยมาเจอสติก็เป็นดีเหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าตัดสลูมารยิงสนูใส่พอมาถึงพระพุทธเจ้ากลายเป็นดอกในทูบเทียนบูชา ก็หมายถึงร้อยมาเป็นดีนี่แหละไม่ใช่อาวุธจริงบางทีการพูดของคนเนะนินทาเป็นอาวุธอะไรที่มันเป็นทางไม่เยาเจ็บปวดมีเหมือนกันผู้ที่มีการฝึกตนดีแล้วไม่บ่นไหวเพราะนินทาสนะเสริญ เราจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้ไปเท่าไหร่วินาทีเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่เงี้ยเช่เรามีเท่านี้แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรเท่าไหร่ในรูปในนามนี้ก็มีการเกิดเจ็บเจ็บตายจะทําอย่างไรตัวความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วทําจะไรทําเช่นไร จ, จะเหนือจิงเรานี่ได้ถ้าเราไม่ฝึกไม่แน่นะมี จ, จิตใจก็พึ่งใจไม่ได้มีรูปก็ไม่กายก็พึ่งกายไม่ได้เรื่องรอยความดีผู้ผู้แพบ่แพบ่ไมมั่นใจตัวเองใอ้ความรักไอ้เป็นความอิจฉาอาฆาต เห็นข่ากันก็ได้ทำลายตัวเองก็ได้ไม่รูปก็ทำลายรูปไม่น้ำก็ทำลายนา้ำแทนที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยกันเหมือนพวกเหมือนแพรเพื่อสำหร็ประโยชน์คิดก็คิดแบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวด ใช่กายก็ใช่ตัวเองเกิดทุกข์เกิดโรคภัยไข้เจ็บสารพัจากเป็นโรคเพราะการใช่รูปเช่นนามผิดประเภทจนมืดมนทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายเป็นอย่างนี้ ตัวเองก็เดดร้อนคนหนึ่งก็เดืดร้อนถ้าเรามีรับผิดชอบตัวเองรักตัวเองก่อนที่แล้คนอนื่นแล้ก็ความรักก็สําเร็จประโยชน์สงสารเราไม่ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อสงสารเราตัเองเป็นแล้วก็สงสารคนอื่นได้ง่ายช่วยตัวเองเป็นแล้วก็ช่วยคนอื่นได้ง่ายสอนเอง ถูกต้องแล้วก็สอนคนอื่นได้ง่ายเช่นกันสอนคนตนย่อย่างไงสอนคนอื่นอย่างนั้นแน่นอนที่สุดลเลยไหนความหลงมาเป็นความรู้ก็สอนตัวเองอย่างนี้ควงโกรธมาเป็นความรู้ก็สอนอย่างนี้ความทุกข์มาเป็นความรู้ความพอใจความไม่พอใจมาเป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยสอนอย่างนี้สอนตัวเองมาอย่างนี้ ไม่ไม่มีปัญหาในโลกทั้งโลกมันก็มีเท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกบนนามมีไม่มากมีแต่ลูกม่แต่หลงเท่านี้เองในขณะที่เราทำกรรมฐานจเจอสองอย่างนี้ทันทีไม่รี่ไม่ล้าพลิกมือเคลื่อนคู่เขียนเข้าเหยื่อฉันออกม่สติ รู้แขวนเข้าเหยียดฉนออกหลงก็หลงที่นี่เหยียดมาเป็นรู้ได้น่าจะไม่ยากนะถ้ายากคุยเจ้าไม่สอนปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการอุ้ยใครก็ทำได้อย่างนี้นะไปอย่างนี้ใครก็ทำได้ วิ่งจากพุทธกยาถึงพาราสีจะสอนคนสอนคนในเวลาสอนอยู่สี่สิบห้าปีจนมาถึงพวกเราตัวหนี่งมันหลงรู้ทำได้ทำได้เหมือนกันโอ้หะไทยของผมอยู่ที่นี่มาถึงครูของเราหลงวระเดอนโอ้ตรงนี้ ได้หลักดำเนินชีวิตมีสติเป็นภายในกายอยู่เระจำโง่หลงรู้ยิงได้ไปล้วแต่ก่อนไม่มีสตินะหลงเป็นหลงพอเรามาฝึกนะหลงเป็นรู้โอ้หลงพอเทียนนี่เป็นภาคปฏิบัติได้หลักการดำเนินชีวิตที่ชัดเกณฑแม่นยําะว่าหลงรู้มันสุกรู้มันทุกรู้ข น, นาดนี้ แป๊เดียวนะมันก็ขยันรดีแนละ้วงั้นหลงให้ดู ช, ดชัดๆเลยคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงคนเราคิดถึงคนช่างคิดถึงคนที่ทําเราเป็นทุกคิดถึงคนที่ทําเราเป็นสุขคิดไปกลับมาลูกสั้นเข้าสั้นเข้าตัวลูกยาวออกยาวออกคสุขควาทุกข์สั้นเข้ามาสั้นเข้ามา สำเร็จประโยชน์เป็นขอบเป็นกำขึ้นมาเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาถ้าเป็นใหญ่ก็ใหญ่ขึ้ น, นจริงหนึ่งก็น้อยลงง่ายขึ้ น, นแต่ก่อนเองง่ายที่จะหล ง, ลงไหลเ ข, ข้ามาท่วมท้น<ง>มันติดมันปเปื้อนมา ให้ผิดเพื่อนมาเพื่อนใจเพื่อนกายงามากคิดไม่เป็นคิดแบบเก็บพวดโอ้วงวารู้จักตัวแลรือเปล่อะไรลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแต่มันก็ไม่กลัวอะไรหรือปาเนี้ไม่กลัวอะไรเห็นเพื่อนหลงโอ้ยน่าจะไม่หลงขนาดนี้ไม่กลัวอะไร โตทั ว, ทวคิดไหลเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าโยอมเหรอว่ามันหลงเจลิญโอยงวอวยมันสุขที่ใดก็วอวยมันทุกข์ที่ใดก็ อ, อ่อนห้อยตามเป็นกรรมมจุกันนิการโยก ไม่บรรลุธรานะวันหลงลู้นี่มัดชิมมาปฏิปทารู้เห็นไม่เป็นป น, นี่แหละมัดจริงๆเลไม่ต้องไป ท, นนท่องหนังสือมัดแท้ๆเนี่ยนี่ทางอยู่นี้ทางอยู่นี้มาทางนี้เพราวันหลงมันใหญ่ความหลงมันใหญ่มันแสดงอกอกทางกายทางใจมันเคยคินมาทางไหนมันใหญ่มาก ทางดิบรีก็กลับมารู้ขึ้นมาเอาอาลีบวดช่วยก็มองดูสุดตัวโอ้กับมาฐานที่ตั้งของการทำฐานเหมือนบังคือยิ่งที่มีที่มีฐานทัยภูมิที่แน่นอนเคื่อนไหวมือโอ สำเร็จประโยชน์เรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ยินไห ม, ไ ม, มอือฮ่าฮ่า <laughs> อ่ะแอบะสะสมความเฉลี่ยววลา